พรุรายปิดกฉบับประชาชนเล่มที่ส2บสองพระสูตรที่เจ็ดวัตถุปมาสูตรสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยผ้าที่ย้อมสีพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้เปรียบเหมือนผ้าที่เศร้าหมองมีมลทินจับช่างย้อมจะย้อมในน้ำสีใดก็ตาม ก็มีสีไม่ดีไม่บริสุทธิ์เมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติเป็นอันหวังได้เปรียบเหมือนผ้าที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วช่างย้อมจะย้อมในน้ำสีใดๆก็ตามก็มีสีดีบริสุทธิ์ทั้งนี้เาะผ้าไม่บริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์นั่นเองครั้นแล้วทรงแสดงอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองจิต16ประการ คือโลภพยาบาทโกรธผูกโกรธลบหลู่บุญคุณท่านตีเสมอพริษยาตรณีมายาโออวดกระด้างแข่งดีถือตัวดูมินมัวเมาประมาทภิกษุผู้รู้ความจริงเกี่ยวกับอุปกิเลสแห่งจิตส6อย่างเหล่านี้แล้วย่อมละอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านี้ แต่ละอย่างเสียได้เมื่อละได้แล้วก็มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะละกิเลสที่พึงละด้วยมักเบื้องต่ําได้คือโสดาปัติมักสกทาคามิมักและอนาคามิมักจึงได้ความรู้อัตถะรู้ธรรมะว่าตนมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมเกิดปีติมีกายอันสงบระงับได้สวยสุขมีจิตตั้งมัน่นภิกษุมีศีลมีธรรมมีปัญญาอย่างนี้ฉันบินธบตดข้าวสาลีมีแกงและกับมากมายก็ไม่มีอันตรายเป็นผู้เปรียบเหมือนผ้าอันบริสุทธ์หรือทองเงินอันบริสุทธ เธอมีจิตประกอบด้วยเมตตากาุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปสี่ทิศรวมทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางในที่ทั้งปวงรู้อริยสัจสี่เมื่อรู้เห็นอย่างนี้จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะเมื่อหลุดพ้นก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วทำหน้าที่เสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกภิกษุนี้ชื่อว่าอาบน้ำแล้วด้วยการอาบน้ำภายในสุนทริกพารัวาชะพรามนั่งอยู่ไม่ไกลจึงชวนพระผู้มีพระภาคไปสู่แม่น้ำพาหุ ก, กาเพื่อสนานกายเมื่อตรัสถามเหตุผลพรามจึงกราบทูลว่าเพราะแม่น้ำนี้ชนเป็นอันมาก ถือกันว่าเป็นบุญลอยบาปที่ทำไว้แล้วได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสอธิบายว่าแม่น้ำต่างๆที่มีชื่อนั้นไม่ทำให้คนพ่านบริสุทธิ์ได้แต่ถ้าไม่ทำความชั่วก็จะไปสู่แม่น้ำขยาทาไมแม่น้ำดื่มก็เป็นแม่น้ำขยาอยู่แล้วสุนทริกการทวาชพรามเลื่อมใสทูลขอบวช เมื่อบวชแล้วไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์